อารัมภกถาครั้งหนึ่งพระสารีบุตรไปในที่สงัดบลีกเร้นอยู่ได้เกิดความลำพึงขึ้นมาในใจว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระองค์ไหนหนอไม่ดำลงอยู่นานของพระองค์ไหนหนอดำรงอยู่นานอย่างนี้แล้วพอถึงเวลายเย็นท่านออกจากที่บรีกเร้น เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทูลถามถึงเรื่องที่ตนรำพึงนั้นพระพุทธเจ้าตัดตอบภาษารีบุตรว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะโกนาคามณนะ และกัดสปะดำรงอยู่นานเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วพระสารีบุตรได้ทูลถามต่อไปอีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะ โกนาขมนะและกักสปะดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้า ต, ตรัสตอบภาษารีบุตรว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิขีและเวสภูไม่ทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยะ วยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมและเวทันละของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์มีน้อยสิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติปาติโมก็มิได้ทรงแสดงแก่สาวกเมื่อพระองค์และสาวก ที่ตัดสรุ้ตามเหล่านั้นปรินิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติต่างวันณะได้ออกบวชจากตระกูลต่างกันทำให้พระศาสนานั้นอันตรธานสูญสิ้นไปโดยฉับพันเหมือนดอกไม้นาน า, นาพันที่เขานำมากองไว้บนแผ่นกระดานยังมิได้ร้อยด้วยได้ ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไปข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่ได้ร้อยด้วยได้ฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นปรินิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติวันณนะได้ออกบวชจากตระกูลต่างกันทำให้พระศาสนานั้น อันตรธานสูญสิ้นไปโดยฉับพันฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะโกนาคาณะและกัสปะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรม และเวทันละของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นั้นมีมากสิกขาบทก็ทรงบัญญัติปาติโมก็ทรงแสดงแก่สาวกเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นปรินิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโคด ต, ต่างชาติวันณนะได้ออกปวดจากตระกูลต่างกัน ก็สามารถดำงรงภาษศาสนาไว้ได้ตลอดระยะเวลายาวนานเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ที่เขานำมาวางไว้บนแผ่นกระดานร้อยดีแล้วด้วยได้ลมย่อมพัดกระจัดกระจายไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยได้ฉัน้นใดเมื่อพระพุทธเจ้าและสาวกเรานั้น ปริณิพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆที่ต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติวันนะออกบวชจากตระกูลต่างกันก็สามารถดำรงพระศาสนานั้นไว้ตลอดระยะเวลายาวนานชั้นนั้นเหมือนกันดูก่อนสารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีสิขีและเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะโกนาคมณนะและกัสปะดำรงอยู่นานหลังจากได้ทราบสาเหตุที่ทำให้พระศาสนาดำรงอยู่นานและไม่นานแล้วพระสารีบุตรคิดตระหนัก ถึงความมั่นคงของพระศาสนาจึงลุกขึ้นผมผ้าจีวรเฉวียงบา่าพนมมือไปทางพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกแก่สาวกอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่ได้นาน พระพุทธเจ้าตัดห้ามว่าจงรอก่อนจงยับยั้งก่อนสาริบุตรพระพุทธเจ้าตัดห้ามว่าจงรอก่อนจงยับยั้งก่อนสาริบุตรตถาคตผู้เดียวจักรู้การในกรณีนี้พระาศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทยังไม่แสดงปฏติโมูกแกสาวกตลอดเวลาที่ อาสวัตฐานิยธรรมคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะคือกิเลสบางอย่างยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ต่อเมื่ออาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างปรากฏในสงฆ์ในศาสานานี้พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโม่แกสาวกเพื่อกาจัด อาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นดูก่อนสารีบุตรอาสวัสฐานิยธรรมบางอย่างยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยมีพิสุผู้บวชนานโดยแพร่หลายโดยมีราบศักการะมากโดยความเป็นพรหูสูตรแล้ว และอาสวัตฐานิยธรรมบางอย่างย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโม่แก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นดูก่อนสารีบุตรก็พิสุสง์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษไม่มีคนทุศีน ปราศจากสิ่งมัวหมองบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณเพราะบรรดาพิสุห้าร้อยรูปนี้พิสุผู้ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงจะตัสรู้ในเบื้องหน้าดังนั้นจากเหตุที่ปรากฏขึ้นข้างต้นนี้ จึงพอสรุปได้ว่าพระวินัยคือศิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่พระพุทธศาสนาชื่อว่าดำรงอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงถาวรตราบเท่าพระวินัยตั้งอยู่นั้น ก็เกี่ยวกับว่าเมื่อพระพิสุทั้งหลายในพระศาสนานี้ยังมีการศึกษาพระวินัยพร้อมทั้งนำมาประพฤติตามไปด้วยอย่าเห็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่กล่าวขานกันมาในคำพีเท่านั้นอุบาสกอุบาสิกาเปรียบเสมือนทับหลัง ที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆเมื่อเห็นพระประพฤติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในข้อวัดอันงามต่างให้ความสนใจมาศึกษาพระศาสนานี้ยิ่งขึ้นความเข้าใจในพระศาสนาอย่างถูกต้องก็จะแพร่สะพัดไปทั่วทิศน้อยทิศใหญ่แต่หากว่า เป็นไปในทางกลับกันกับที่กล่าวมานี้ปัญหาต่างๆมากมายคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน